เจ็เดือนบรรลุธรรมตอนสุดท้ายมหาสติปฐานสูตรถึงหน้านี้หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผู้เขียนหน้าก่อนๆที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องแต่งเรื่องแต่งคือเรื่องที่ไม่มีบุคคลจริงอยู่แต่อาจนาความจริงมาผูกเป็นเรื่องราวเพื่อให้ย่อยง่าย เห็นภาพชัดเจนตามวิถีทางของการเล่าผ่านประสบการณ์ของคนธรรมดาสักคนทั้งหมดก็เพื่อเป้าประสงค์เดียวคือเพื่อง่ายเมื่อมีโอกาสอ่านของจริงได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งบรรจุ ข, ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหนทางเดียวที่จะบรรลุธรรมอย่างถูกต้องขอให้ลองอ่านดูอย่างละเอียด และน้อมมาปฏิบัติตามเถิดผู้เขียนนํามาให้แล้วในท้ายหนังสือเล่มนี้หากท่านเข้าใจและมองออกว่าจะเริ่มปฏิบัติอย่างไรพัฒนาสติให้เจริญขึ้นด้วยมุมมองแบบไหนก็ขอให้ทราบว่าหนังสือเล่มนี้ทําหน้าที่ที่ควรจะทําแล้วกุศลจากการเขียนมีเพียงใดผู้เขียนขอให้พ่อแม่ตลอดจนผู้ที่ได้อ่านและมิได้อ่านหนังสือ จงรับไปโดยเท่าเทียมกันขอกราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปิดเผยทางออกจากวังวนทุกข์ด้วยเสียงกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้เหล่าสัตว์บริสุทธิ์ได้ล่วงพ้นความโศกและความรำพันคล่่งครวนได้ดับทุกข์และโทมนัสได้บรรลุอริยมรรคเพื่อเห็นแจ้งพระนิพพานได้ หนทางนี้คือสติปฐานสประการ 4. ีประการนั้นมีอะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เสมอ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เสมอ 4. ี พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เสมอเธอพิจารณากายเวทนาจิตธรรมยังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสดยได้นี้เป็นอีกประการหนึ่งหัวข้อกายานุปัสสนาอาณาปานะบัพะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอคือภิกษุในพระศาสนานี้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นยอมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกยอมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า ยอมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกยอมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ขยันเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักสั้น แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น ยอมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้ากายานุปัสสนา กิระะิยาปทาบพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นๆ กายานุปัสสนาสัมปะชัญญาบัพพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลยวในการคู้เข้าในการเหยียดออกในการทรงผ้าสังาติบาทและจีวรในการฉันการดื่มในการเคี้ยวการลิ้ม ในการถ่ายอุจระและปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นในการพูดการนิ่งกายานุปัสสนาปฏิกูลมณสิการบพระดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุจจาระ ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไยมีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาตต่างชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดีแก้ไถนั้นแล้วพึงเห็นได้ว่า นี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกไขกระดูก ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส่ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะกายานุปัสสนาทาตุมนสิการบั พ, พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนค่าโครหรือลูกมือของคนค่าโคผู้ขยันค่าโคและแบ่งออกเป็นส่วนนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกายานุปัสสนานวาศิละทิกาบั พ, พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเหมือนเธอเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งบ้าง สองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะกรุมจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างหมูสุนัขกัดกินอยู่บ้างหมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมู่สัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างเป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ เป็นโครงกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เป็นโครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วเรียรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง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 เป็นกระดูกกองเรียงรายอยู่แล้วเกินปีหนึ่งขึ้นไปเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้วเธอน้อมกายนี้แหละมาเปรียบเทียบว่ามีอะไรอย่างนั้นเป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้ดังพันรนามาชนนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพ Good ิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงสักว่าเอาไว้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น